เทศอบรมในคืนวันที่10เมษายนพศ2510ณวัดป่าบรรตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนคำว่าสัจนาภาว่าลึก ก็เหมือนึกเลยจริงๆจนจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยถ้าจะว่าตื่นก็ตื่นเพราะเรานั่งทับนอนทับศา ส, สนาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาจทราบได้ว่าศาสนาคืออะไรทํานั้นเพราะฉะนั้นศา ส, สนากับเราแม้จะอยู่ด้วยกัน ก็เป็นเหมือนว่าเราห่างเหินกับศาสนาเนื่องจากไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรท่านแปลไว้ว่าคือคำสอนอันนี้เป็นฝ่ายเหตุสอนให้คนเข้าอกเข้าใจให้ยุเรื่อง การดำเนินคือการปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนจึงเหมือนกันก็ว่าเรานั่งทับนอนทับศาสนาคือศาสนาอยู่กับเราทุกเวลาหากว่าเราคำนึงถึงเหตุผลดีชั่วที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยไอายสายหลักธรรมะที่ว่าคำสอนนั่น เป็นเข็มทิศทางเดินอยู่เสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้อยู่กับพระศาสนาเดินเหินไปมาที่ไหนในเอียบททั้งสี่ชื่อว่าอยู่กับพระศาสนาทางนั้นถ้าขาดความสนใจในหลักเหตุผลดีชั่ว เพื่อการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พึงพอใจก็เท่ากับไม่มีศาสนาอิทธวะลึกก็มีอยู่ในในตัวของเราแต่เราไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรจรึงจะถูกต้องกับคำว่าศาสนา ถ้าเราเข้าใจความหมายของศาสนาคือคำสอนแล้วเราก็เข้าใจในหลักศาสนาอันเป็นส่วนเหตุได้เช่นพ่อแม่สั่งสอนลูกลูกประพฤติตัวไม่ถูกในทางใดพ่อแม่ก็พยายามสั่งสอนนี่ก็คือคำสอนของพ่อแม่ที่ดีพยายามสั่งสอนลูกให้ลูกได้รู้สึกตัวแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิด กลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาผลประโยชน์ที่ได้ก็พ่อแม่ก็เย็นใจเด็กก็เป็นคนดีและเย็นอกเย็นใจไปที่ไหนก็ไม่กลัวจะเกิดความเสียหายหีเนื่องจากคาสอนเป็นจิมทิศทางเดินของเด็กและเด็กก็สนใจต่อการด ป, ประพฤติตนให้ถูกต้องตามคำสอนขึ้นเป็นจิมทิศนั่นด้วยผลจึงปรากฏ ทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่ผู้ ป, ปกครองก็เลยรับความเย็นใจลูกก็กลายเป็นคนดีเนี้ยเชื่อตัวเองได้ตามขั้นของเด็กเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปนี่เทียบกันได้อย่างนี้คือสิ่งใดที่ถูกผลให้เป็นความเย็นใจขึ้นมานั่นแหละ ท่านให้ชื่อว่าคําสอนท่านผู้ใดจะสอนก็าตามถ้าสอนในทางที่ถูกแล้วชื่อว่าเป็นคําสอนทั้งนั้นสําหรับพระพุทธเจ้านั้นมีเพียงแค่องค์เดียบแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลกนั้นเรียกออกมาจากคำว่าสุวขาตะธรรมคือตรัสไม่ชอบทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในบรรดาคำสอนที่เด็กประกาศสอนโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นเป็นเป็นส่วนเหตุสอนไว้โดยถูกต้องอย่างนี้ส่วนผลก็เป็นนิยานิกระรธรรมคือผู้ใดประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุเตจ้จะเป็นชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตาม ชั้นสูงก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามผลจะต้องได้รับความเย็นคือความเย็นใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นขั้นๆไปตามความสามารถแห่งการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นคําว่าสาสนาธรรมจึงเป็นสมบัติกลาง สำหรับผู้สนใจใครต่อการปฏิบัติและมีความสามารถมากน้อยจะต้องให้ผลสม่ำเสมอตามแต่เหตุคือการปฏิบัติของผู้นั้นๆไม่มีการนำเอียงเหมือนอย่างสิ่งอื่นเราเกิดในแดนพระพุทธศาสนาปูยา่ย่าตายายของเรา เคยพานับถือพระพุทธศาสนามาน่าชมเชยท่านที่เป็นบรรพูสามารถเลือกเฟ้นเอ า, าศาสนาที่ยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราและเป็นเจดีอันยอดเยี่ยมให้โลกได้กราบไหว้บูชาคุณระบุตสุดท้ายภายหลัง เช่นพวกเราเราท่านทานได้นับถือและกาหวาตลอดมาไม่ผิดหวังคําว่าพุท ธ, ธะก็เป็นพุท ธ, ธะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุท ธ, ธะปลอมๆเป็นพุท ธ, ธะที่เสกสรรขึ้นเฉยๆโดยหาความจริงจากหลักพุท ธ, ธะไม่ได้พุท ธ, ธะที่เป็นเจ้าของศาสนานี้คือท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆ ท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องจนสามารถเห็นผลคือความมรืสุดอันยอดเยี่ยมจริงๆนี่พุทธผู้นี้เป็นพุ ท, พทธที่ไว้ใจของโลกเป็นพุทธที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกคือพุทธรบริษัทเราที่ได้นับถือพุทธเรียกว่าพุทธมามะกะถือพระพุทธทเจ้าเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนนี่คือพุทธ อันแท้จริงไม่เป็นโมฆะผู้ถือพุท ธ, ธะเป็นสาระเป็นที่พึ่งก็ไม่เสียประโยชน์โดยทาแล้วไม่เกิดผลธรรมะที่ปรากฏขึ้นจากพุท ธ, ธะผู้ปฏิบัติอันถูกต้องจนถึงความมยสุดนั้นก็เป็นธรรมะให้ความเสมอภาคความสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะ เสมอเหมือนธรรมะที่ออกมาจากพระไทยทยตรปิฎกของพระพุทธเจ้านี่ธรรมะนี่ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริอันหนึ่งสังฆะคือผู้ปฏิบัติตามสเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยขอ้อปฏิบตัติไม่ให้ลบหีบเบีกทางไปทางใหนจากสวากาศวาขาถธรรมที่กลับไม่ชอบแล้วในานามของสาวกเหล่านั้น ที่ท่านปฏิบัติเป็นลําดับลําดับจนปรากฏมาถึงสมัยปัจจุบันนี้มีว่าสุปฏิปันโนอุชุญายะสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงแน่แน่ต่อทางตรัสรู้แน่แน่ไปตามหลักหมวดค้าตรธรรมญาณะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกกระทงสามีกิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในไปก็งามมาก็งามนั่งก็งามในยาบททั้งสี่งามทุกอียาบทการคิดการทำการพูดอะไรงามไปด้วยเหตุด้วยผลไม่มีสิ่งบกพร่องนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้า ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติในธรรมทั้งสีนี้กลายเป็นว่าอัตถะพิทธะพุกขาณนเป็นบุรุษบุคคลแปดจำพวกคือรูปธรรมหรือต ร, รัสรูเป็นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาปติมัคโสดาปติผลสกิทาคามัสกิทาคาผล อนนาคามะอนนาคาผลและอรหัตตมะอรหัตตผลปรากฏเป็นสาวกบริสุทธิ์พิเศษขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่สาวกที่เป็นโมคะเป็นสาวกองแท้จริงไม่มีผู้ใดจะสามารถทำตนให้บริสุทธิ์ได้เหมือนอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าโดยเม่อาัยหลักธรรมจากพระองค์ท่านเป็นแนวทาง เพราะฉะนั้นพระตนาตรายทั้งสามนี้จึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐในโลกไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้และไม่ล้าสมัยเหมือนวัตถุความนิยมต่างๆมีความสม่ำเสมออยู่เห็นนั้นตลอดมาไม่เอ็งเอียงไปตามความกำหนดติชมของผู้ใดทั้งนั้นใครจะนิยมอะไรว่าดีก็ตาม ตามนิสัยของโลกย่อมมีความเป็นรุ่มๆุมอนๆอนไม่สม่ำเสมอสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งไม่ว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเครื่องนุ่งเครื่องผมเครื่องใช้ส้อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่ตามความนิยมของโลกแต่หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีความคงที่อยู่ตามหลักความจริงที่เป็นแล้วอย่างใดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงสม ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของโลกที่จะปฏิบัติตามและเห็นผลไปจักแง่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ะระลึกถึงหลักธรรมแล้วเป็นเหตุให้ยับยั้งจิตใจได้เห็นคู่ทะเลาะวิวาทกันทั้งสองฝ่ายหากได้ะระลึกถึงธรรมะ ขอใดข้อหนึ่งขึ้นมาถ้ากิจใจความทะเลาะวิวาทนั้นก็ระงับลงไปไม่รุนแรงคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันหากไม่มีธรรมะแล้วแตกแยกกันได้มากยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นเพชะขาดสังหารกันทั้งๆั้ที่เป็นคู่รักก็กลายเป็นคู่เวรกันไดพ่อแม่กับลูก ก็แยกทางกันมาถ้าหากหากหลักธรรมะผู้ที่มีหลักธรรมะแี้จะเกิดความเทระอิวาทันขึ้นสามารถที่จะหยิบยกธรรมะขึ้นมาเป็นเครื่องกัน้นกลางของห้ามและยับยัง้งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นภัยแก่ตนนั้นลงได้เป็นดับจนถึงกับระงับดับได้จริงๆด้วยอำ น, นาจแห่งหลักธรรมะ เพราะฉะนั้นโลกจึงต้องกราบต้องว่าโลกจึงสนะชีพเพื่อพระตนตาไตรเป็นก็ขอพึ่งพระธนตาไตรคือพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นของคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมีบรรดาเราทั้งหลายได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนา มันเป็นธรรมชาติที่บริกุุิอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะบบิทธิ์เสมอกับธรรมะที่ออกมาจากคำว่าศาสนามีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนดำเนินตนประพฤตินตนไปได้แค่ไหนตามสวสขาตธรรมที่ทราแสดงไว้ทั้ง ส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงตามเพศวัยและกำลังความสามารถของเราผลก็จะไม่เป็นโมคะเช่นเดียวกันกันกบพระตัณนาไตรซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเราอ่าให้ห่างเหือนอย่าทำตนให้ ห, ห่างเฮือนจากหลักธรรมะ เราอยู่ที่ใดไปที่ไดนทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรขอให้มีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกหรือเป็นเครื่องสจกิตใจอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยหากจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาก็จะระงับดับลงไปเพราะธรรมะเหมือนกับน้ำดับไฟถ้าน้ำน้อยไฟมาก ก็ดับไม่ลงแต่ก็สงบลงได้ถ้าหากว่าน้ำกับไฟพอกันแล้วต้องดับลงได้ ừ. การพยายามเจาะแสวงหาธรรมะมานั้นเพื่อเราจะระงับดับไฟภายในตัวของเราความประพฤติที่ผิดก็กลายเป็นไฟขึ้นมาผิดมากก็เป็นความร้อนมากผิดน้อยเป็นความร้อนน้อยท่านจึงเรียกว่าไฟ ความคิดอ่านนึกคำพูดคำจาถ้าส่วนไหนเป็นความผิดอ น, นั้นก็เป็นไฟต้องนำหลักธรรมะเข้ามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อระงับดับความผิดนั้นเสียไฟคือความร้อนจะได้ระงับดับตัวลงไปเพราะเหตุไม่มีส่งเสรยดังนั้นธรรมะกับเราจึงแยกกันไม่ออก ศาสนากับเราแยกกันให้ออกหากว่าผู้จะมุ่งต่อความสุขความจเจริญ น, นอกจากจะไม่ทราบเรื่องดีชั่วสุขทุกอันใดเลยแล้วอันนั้นถึงจะไม่แยกก็ไม่มีศาสนาถ้าเรายังหวังความสุขความจเจริญอยู่ทั้งปัจจุบันนี้ ทั้งอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าและชาติหน้าเลยคําว่าศาสนาก็คือเสดทางเดินเพื่อความสุขความเจริญของเราที่ปรารถนาอยู่นั่นแหละไม่ใช่อื่นใดการประพฤติตัวเพื่อความสุขความเจริญต้องประพฤติในทางที่ดีทิ่งใดที่เห็นว่าชอบธรำพยายามบําเพ็ญ หรือปฏิบัติต่อหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ก็คือหลักคือก็คือหลักธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุเพื่อจะให้ผลคือสิ่งที่พึงพอใจเกิดขึ้นธรรมะมีสองประเภทคือฝ่ายเหตุได้แก่การนาเนินฝ่ายผลคือสิ่งที่ได้รับจากการกระทําของตนนั้น มากน้อยก็เป็นผลไปตามตามกันกับเหตุที่ได้ก่อตัวขึ้นมาเท่าไหร่มีอยู่กับเราทุกท่านสาธนธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยกันไม่ได้สอนสัตว์ที่ไม่รู้เดียงสาภาวะรู้ดีรู้ชัว่วมนุษย์เรานี้เป็นชาติที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ชาต เทียบกับทางก็เป็นทางสีแพร่สีแพร่งหรือทางสีแยกเราจะแยกไปทางไหนก็ได้เมื่อถึงจุดสีแยกนั่นแล้วนี่เราถึงขั้นความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปทางชั่วไปทางดีจะเอาชั่วขนาดไหนดีขนาดใดเราต้องเป็นผู้สร้าง ตัวเองสร้างเพื่อตัวเองคนอื่นจะมาสร้างให้เรานั้นสร้างไม่ได้เมื่อตะกี้นี้เราก็ได้สวดว่ากรรมะสะกรมหิตกรรมะดายาโดนี้เป็นตกกรรมกับเรานั้นแยกกันไม่ออกเมื่อเรายังมีการทำการพูดการคิดอยู่ตราบใดกิริยาที่กล่าวนี้แหละหรือกิริยาเหล่านี้แหละท่านเรียกว่ากรรม เมื่อยังมีกิริยาที่แสดงอยู่อย่างนี้ด้วยความสัมพยุตมาจากใจแล้วต้องเป็นกรรมเสมอไปท่านเรียกว่าเป็นการกระทําเมื่อกรรมยังมีอยู่ตราบใดผลก็ต้องสืบท อ, อดกันไปเป็นลํำดับลํำดับผลกับเหตุจะแยกกันออกไม่นานนอกจากจะไม่ทํากรรมเสียเท่านั้น เราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่การทำของเราหมุนอยู่เหมือนกองจักรด้วยกันทั่วโลกไม่มีใครจะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอะไรเลยต้องทำแต่การทำมีความแตกต่างกันดังนั้นผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันไม่ได้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งรูปร่างลักษณะท่าทาง อำนาจารรัฒนาความ ร, รู้ความฉลาดมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันตลอดมาตั้งแต่การไหนๆจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนี้ตลอดายเพราะกรรมคือการกระทำของบุคคลและสัตว์ไม่เหมือนกันตลอดมาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะดัดแปลงแต่งกรรมที่ดีเพื่อความสมมติส ม, มายของลัก โดได้พยายามดัดแปลงตนเองการดัดแปลงตนเองนี้แหละชื่อว่าเป็นนายช่างผู้ฉลาดนายช่างที่ปลูกบ้านปลูกเรือนมีความฉลาดเท่าไหร่บ้านเรือนก็ยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามราคาก็แพงค่าเช่าก็แพงอยู่ก็น่าอยู่ตาดูแล้วก็น่าชมงามตานั่น สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นผู้ชนะดัดแปลงแต่งขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมทุกส่วนไม่พ้นไปจากความฉลาดของนายช่างนี่ก็เราเป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะพยายามดัดแปลงแต่งความประพฤติของเราที่ตนเห็นว่าสิ่งใดบกพร่องพยายามดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งนั้นจุดนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมา เราจะกลายเป็นคนดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ดีแม้รูปร่างของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับบ้านเรือนก็ตา่างแต่มารยาทความประพติอัตยาสายใจคอนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทางดีเสมอไปนี่ธรรมะเป็นเครื่องมือสาหรับดัดแปลงพยายามดัดแปลงตน ไปเป็น ล, ลําดับจนเกิดความเคยชินต่อการคิดการอ่านในสิ่งที่เห็นว่าถูกหรือผิดและในการยับยั้งตัวเองอย่าทําสิ่งใดด้วยความผุนฐันโดยไม่คิดไม่อ่านไม่ไตรตรองทําแล้วจะผลจะสะท้อนกลับมาหาตัวให้รับความเดือดร้อนตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องจะรับความเดือดร้อนประดาตามกัน เช่นเดียวกับลูกไปทำความผิดอย่าเข้าใจว่าลูกจะรับความทุกข์เพียงเท่านั้นพ่อแม่ยังแม้จะไม่ได้ไปทาตามก็ยังเดือดร้อนไปด้วยนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้เนื่องจากขาดความไตรตรองไม่สนใจในหลักเหตุผลซึ่งเป็นหลักธรรมหากว่าได้พยายามดัดแปลงหรือสนใจคิดอ่าน นั่งที่กล่าวนี้อยู่เสมอแล้วจะเป็นความเคยชินขึ้นมาไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ต้องเคยชินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหัดอ่านหัดเมื่อหัดทําหัดพูดหรือหัดอ่านเช่นเดียวกับหนังสืออย่างนี้มีความชินไปเรื่อยๆถึงกับเราหลับตาเราเขียนยังได้เขียนหนังสือเพราะความเคยชินนี่การ ฝึกขัดตนเองจนเป็นนิสัยก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็ฝึกขัดตัวในฐานะความเป็นเด็กเติบโตขึ้นเทา่าไรนิสัยของตอนก็ดีขึ้นเป็นลาดับเพราะการฝึกขัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ความเป็นเด็กดัดเสียตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยถ้าแก่เหมือนกับไม้จะดัดยากจิตใจของเราถ้าแข็งกระน้างแล้วไม่มีครูสอนถึงจะเดินตามหลังพระพุทธ เ, ทเจ้า เดินตามหลังครูหลังอาจารย์เดินตามหลังบัณฑิตหน้าราเดินตามหลังท่านผู้ดีเท่าไรก็ไม่ดีเพราะจิตใจนั้นเปรียบเหมือนกันกับว่าหม้อที่ถูกคว่มปากลงไปแล้วจะเอาน้ำในบึงในบ่อที่ไหนแม้จนกระทั่งน้าในมหาสมุทรทะเลมาเทลงที่นั่นก็ไม่มีอะไรที่จะขังอยู่เพราะหม้อไม่ได้หงายปากแล้ว จิตใจที่เคยชินต่อความรู้อำนาจมาเป็นลาดับลาดับโดยไม่สนใจกับการดัดแปลงตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเลยเห็นสิ่งใดไม่เป็นของสำคัญเสียสิ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะเห็นสิ่งที่ตนรักตนชอบใจที่เคยสั่งสมจนเป็นนิสัยมานั้นแม้จะเป็นของชั่วกลายเป็นของดีไปหมดมีเนื่องจากนิสัยได้หลลงทางต่าเมือ่อ ไ, ไปเต็มที่แล้ว ไม่มีอะไรที่หยัดยับยัง้งไหลไปเลยทีเดียวน้ำตกไหลตกทะเลแล้วยังมีที่มีที่อยู่แต่ใจนี้ถ้าลงในปลายเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยับยั้งไม่นักเราจะกลายเป็นขดคนหมดกระทำราคาไม่มีผู้ใดที่จะมองหน้าหรือเดียวเลวไม่มีผู้ใดจะสนใจคนได้ ลงได้ทำความความชั่วเนื่องมาจากการปล่อยตัวขนาดนั้นแล้วต้องเป็นมใจนี่โทษแห่งการไม่สนใจโทษแห่งการปล่อยตามใจจนเลยเถิดอย่างที่เขาพูดในภาคอีสานนี่ว่ะเขาบ่าผีที่หาเจ้าของไม่ได้เขาเขาอยากปอบก็มีผีก็มีอย่างไปเที่ยวฮาเข้าคน มันยังมีเจ้าของที่นี่เวลาผีตัวนั้นมันแก่เต็มที่แล้วไม่อยู่กับเจ้าของไปเข้าคนนู้นคนนี้ไล่ไม่รู้จักตัวว่ามันมาจากที่ไหนแต่เข้าคนด้วยคนถ้าลงไม่ปล่อยตามยถากรรมเช่นนั้นแล้วหมดญาติหมดวงหมดพ่อหมดแม่หมดมิตรหมดสหายไม่มีใครที่จะเหลียวเลยเป็นกับตายก็ เป็นเรื่องของคนไม่มีคุณค่าคนนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นหมดราคาจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะทําตัวของเราให้หมดราคาขนาดนี้ก็ทําได้เราจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของเราให้ดีเราก็ทําได้เอาเราจะดัดแปลงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตน ท, งทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ กาได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่โลกจะล่ําลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษนั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทราบพระองค์ตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษในบัดนี้เนื่องจากการดัดแปลงพระองค์ท่านอย่างเต็มที่ได้เห็นผลอย่างเป็นที่พึงพอพระไถยคือใจก็กลายเป็นใจพุทธะไปเสียหมดความคิดก็เป็นพุทธะความประพฤติก็กลายเป็นพุทธะ ประพฤติด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบพูดก็เป็นคำพูดของพุทธะคือพูดออกมาด้วยความฉลาดคิดออกมาด้วยความฉลาดนี่แหละพู้ฉลาดกรดิกพลิกแทงไปทางไหนมีแต่ความฉลาดรอบตัวแล้วจะขาดทุนที่ไหนเมื่อเราฝึกขัดตัวของเราที่ให้สมกับนมามว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เราต้องพยายามตึกฝนอบรมตัวของเราอย่างนี้ เราจะคอยให้คนอื่นมาตัดแต่งฝึกฝนอารมณ์เลือดดุด่าว่าก่าเหล่านั้นบางครั้งยังเกิดความเสีย อ, อกเสียใจงุดมมิดอย่างน้อยเช่นลูกชอบประพฤติ น, นอกลู่นอกทางพ่อแม่มีความสงสารเสียดายเพราะเป็นเลือดเนื้อในหอัอกเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันตกคลอดออกมาก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนอกจากลูกเกิดความเสียหายแล้วพ่อแม่ก็ ไม่ทราบว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทั้งสงสารทั้งสรดสรังเวชทั้งเดือดร้อนนะโปรดได้ที่าจนาอย่าให้เป็นดังที่ที่อธิบายมานในส่วนที่จุ นั่นคือความไม่เด้พิจารณาต่อยเลยตามเลยเป็นแบบนั้นพยายามฝึกหัดดัดแปลงจะดิบติดสายของคนไปในทางที่ถูกแล้วจะได้มีกำลังทางด้านจิตใจเคยชินคิดอ่านไตรตองไปตามเหตุตามผลเราจะเรียนหนังสือก็สำเร็จ ถ้ามีหลักธรรมะประจำใจเอาทองบนครั้งหนึ่งจำไม่ได้ความเพียรหนุนเข้าไปทองบนจนจำได้ถึงจะเหนื่อยยากลำบากบ้างเอาอดทนเอาเพราะเราเป็นนักเรียนน่ะนี่คือคนมีธรรมะมุมานะเอาจนได้ เรียกว่าคนมีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างทํทำให้พ้นมิสัยของผู้มีธรรมะภายในใจไปได้เราได้ทราบว่ า, าศาสนากับเราันั้นมันแยกกันไม่ออกดังที่กล่าวมานี้ที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำลาในตู้ในหีบนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่ง ถ้าจะพูดกันอย่างพังง่ายๆตามที่ท่านพูดไว้ในมหมามกุตว่ากองตำลากองตำรากับตัวยาเป็นอย่างไรบ้างผิดกันไหมตำราก็คือชื่อตัวยาันหมายถึงยาจริงๆเนี่ยธรรมะที่แท้จริงอยู่กับเรานี่แหละ ฝึกหัดใจของเราให้มีธรรมะธรรมะกับเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาโดยไม่ต้องหาใครมาเสีสารปันยอให้สําคัญถ้าเราเห็นว่าอะไรก็ไม่สําคัญไม่สําคัญคนนั้นคือคนไม่สําคัญไม่มีอะไรสําคัญในบุคคลคนนั้นเราพยายามจะให้เป็นคนสําคัญ เราต้องมองหาเหตุหาผลดีชั่วที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงหรือบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจนมีกําลังกล้าภายในตัวของเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาในตัวของเรานีนี่เป็นหลักสำคัญที่ศาสนาท่านสอนสอนอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าศาสนาอยู่ที่อื่นอยู่ที่เรานี่แหละเพราะผลที่จะพึงได้รับก็คือเรา เนื่องจากการกระทำผิดความผิดถูกชั่วดีคือเราเป็นผู้ทำถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมแล้วเนี้ยจะผิดพลาดก็มีจำนวนน้อยแต่จะเป็นความถูกเป็นส่วนมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้มี ความรู้สึกอยู่กับตัวว่าเราทำอะไรอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือเวลาเวลานี้ทำอะไรเราทำดีหรือชั่วเวลานี้เราต้องคิดเสมอผู้ที่ใช้ความคิดอย่างนี้ย่อมรู้สึกตัวและมีทางแก้ไขได้เมื่อเห็นว่าตนผิดในขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้น เนีิชาธรรมะเป็นเครื่องประดับความประพื้นให้ดีงามนะผลธรรมะที่ฝ่ายเหตุซึ่งเราได้ประพฤติตัวเองให้ดีแล้วกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาสม า, สาจาิตสมาใจ แต่ธรรมะมีหลายประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหากจะมีในบุคคลคนเดียวนั่นแหละถ้าเราพยายามจะปฏิบัติให้มีทั้งสามประเภทธรรมะก็จะเจริญขึ้นภายในใจของเราเช่นเดียวกับความเป็นเด็กก็คือเราคนนี้ ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คือเราคนเดียวจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราก็คือเราคนเดียวสืบมาจากเราคนเดียวนิเรื่องจิตใจที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องอบรมก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เหมือนกั น, <S <S นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องศาสนากับเรา มีแตกต่างกันที่ตรงไห น, นไม่มีอะไรแตกต่างกันเรื่องศาสนาขอบกับและแยกกันไม่ออกพยายามนำศาสนานี้เป็นเครื่องปกครองตนเองนั่นแหละจะเป็นความเจริญยิ่งยืนตามวัยตามเพศตามกำลังความสามารถของดอ วันนี้เราก็ได้ประพฤตตัวของเราให้ดีหาที่ตาหนิไม่ได้วันหน้าเราก็พยายามประพฤติตัวเองให้เป็นในลักษณะวันที่ผ่านมาแล้วหรือให้ยิ่งกว่านั้นไปเดือนหน้าปีหน้าก็พยายามประพฤติตัวให้เป็นเช่นนั้นนั่นแหบะบเราจะเป็นผู้มีความเจริญในธรรม ธรรมะจะเจริญในใจของเราสังคูบาจารย์ท่านประพฤตปฏิบัติธรรมะอยู่ในป่าในเขาท่านก็นมีการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันกันกบเราเพราะทางไม่เคยเดินความประพฤตเช่นนั้นยังไม่เคยไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรคำว่าสมาธิภาวนาเป็นยังไงก็ไม่ทราบ ความสุขที่ว่าไ ด, ได้รับจากการปฏิบัติธรรมในศาสนาไม่ทราบเป็นอย่างไรและไม่ทราบาศาสนาคืออะไรอีกเหมือนกันต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติและได้ฟังคําสัง่งสอนจากครูจากอาจารย์มาเรื่อยๆตัวเองก็ได้ปฏิบัติทดลองดูหรือตั้งใจปฏิบัติจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็ค่อยทราบเป็นลําดับลําดับไปว่าผลใงการปฏิบัติศาดหนาเป็นอย่างนี้ จิตที่ไม่เคยมีความสงบยอกเย็นก็เป็นขึ้นรู้ขึ้นภายในใจความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบ พ, พอเห็นชัดประจักษ์ใจนี่คือผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะธรรมะคือคุณสมบัติอันโนุ่นค่ะเมื่อนํามาเกี่ยวข้องกับความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจย่อมจะเป็น เหตุให้ได้รับความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใจทานมีธรรมะปกครองรอยู่เสมอแล้วไม่ค่อยจะทำแม้จะเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ชอบไม่ไม่ชอบโกรธง่ายๆเป็นคนขี้ลืมก็ไม่ชอบลืมคือควายจดจอ่คอควายสนใจในความหลงลืมของตนอ ต, ตามความหลงลืมธรรมนาก็ไม่ค่อยเป็นกิเลส แต่เรื่องความโกรธนี่เป็นตัวกิเกลสของโกรธถ้าโกรธมากมันก็กลายเป็นเสือไปได้ฆ่าคนก็เพราะความโกรธนี่เป็นหนักใหญ่คนเราไม่ใช่เกิดขึ้นมามาตั้งใจจะฆ่าผู้ฆ่าคนบางทีเป็นพลเมืองดีของเราอยู่ธรรมนานี่แหละไม่ได้คิดว่าจะฆ่าใครต่อใครแต่เวลาเจ็บใจเข้ามามากๆคนไม่ไหวก็ฆ่าอืมเเดียว่ากิเลส ถ้ามีธรรมะความโกรธก็ลดน้อยลงไปเห็นเป็นคนขี้บน่นนั่งอยู่กบ็บ่นนอนอยู่กบ็บ่นอยู่กับหมู่กับเพื่อนกบน็บ่นไม่มีใครอยู่ก็คิดบ่นภายในใจถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องไข่ ค, ควรสอบสองดูเรื่องของเราความบ่นนั้นก็ค่อยหายจางไปค่อยบ่นให้ลูกก็ค่อยเบาไปเอยบ่นให้ล้านก็เบาไป เคยบ่นให้มูให้เพื่อนเอยบ่นให้ลูกชิดลูกหาก็ค่อยเบาไปอืเพราะความดูเรื่องของเราถ้าว่าความบ่นนั้นมันสําเร็จประโยชน์แล้วใครไม่ต้องไปทําการทํางานอะไรบ่น้ามันสําเร็จไปหมดเออแต่นี่มันก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรไมีแต่บ่นเพราะให้คนอื่นเขาลำคานบ่นให้มูเพื่อนมูเพื่อนก็รําคานบ่นให้ลูกลูกก็รลำคานบ่นให้หลานมันยิ่ง เบียดใหญ่เฮ <Hey. S 1> ้ยพูดเท่านี่อะไรคุณพ่อคุณคุณแม่นี่ทำไมโดยมากเป็นคุณแม่ละ่ะบนดีคุณพ่อไม่ค่อยบนละ่ะถ้าเวลาจะเขียนกับเขียนเอาเลยเขียนแล้วเดินหนีไปเลยแม่นี่มันอยเขียนแต่บนชอบบนนักเรียนวิชาบนตลอดวันยังคําคุนจังลุงไปที่ไหนได้แต่บนอยู่คนเดียวก็บน uh. หากมีธรรมะแล้วก็ระงับลงไประงับลงไปสบาย ลูกหลานก็มองหน้าได้หูเพื่อนก็มองหน้าได้คนชายคนซอยอยู่ในบ้านในเรือนก็มองหน้าได้ใจก็เบาไม่ลคาคาญถ้าหัวหน้าบ้านชอบบ่นแล้วใครก็ร้อนไปหมดลูกเต่าก็ร้อนถ้าจะว่าให้ขอแม่ของเราจะเกี่ยวว่ายังไงบางทีเขาก็เถียงเอาบ้างนี่เขาเถียงอ๋อเราเลี้ยงมันถแถบล้มแถบตามันยังมาเถียงเราอีกหวัวอีกเรื่องจะยอมรับผิดไม่มีนี่ ถ้าเวลาปราศจากธรรมะมันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเรานำธรรมะมาค่ดควรอ๋ก็จริงๆนะฉันก็บ่นถ้าจริงๆเมื่อวานก็บ่นวันนั่งคำวันนี้ฉันก็บ่นอีกทั้งวันมีคนเตือนฉันบ้างวันต่อไปก็ต่อไปนี้ฉันจะหยุดในขณะที่มีธรรมะมันก็หยุดได้หนึ่งก็ดีในระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเราพยายามนะครับดับกันอยู่เรื่อยๆมันก็ดีถ้าพอเพ้อเท่านั้นบ่นึ้นอีกแล้วฮ่าฮ่า่าต้พยายามนะครับดับมันไป นคนที่มีธรรมะดับได้แม้แต่เท่าอีว่าตกันยังดับได้จะว่าเกิดความห ง, งุดหงิดใส่คนอื่นอย่างนี้เรายังรู้เออนี่มันจะโกรธเขาแล้วนี่มันไม่ดีนะความโกรธตั้งแต่เขาโกรธให้เรายังไม่ดีไหนเราจะไปโกรธเขาความหงุ่ห ง, งิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันทําความทุกข์ให้แกตัวเองพอรารู้พอรู้เรื่องมันก็ดับไป ต่อไปพอปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นมันดับไปเลยพอเรารู้หน้ามันจะแล้วนี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวเองเป็นนย่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้จ้องมองดูแล้วย่อมทราบเหตุทราบผลเรื่องของเรายิ่งเ ป, เป็นอยู่กับตัวของเราเองธรรมะท่านก็สอนลงที่ตัวของเรานีทำไมจะไม่รู้ ความผิดพลาดหรือความไม่ดีไม่งามอะไรของเราเําทำไมจะไม่รู้ทำนี้ความความใคล้ครวนอยู่บ้างตามหลักธรรมเลยต้องรู้ท่านปฏิบัติท่านกับต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในปา่าในเขาดูตัวเองไม่ใช่ดูอะไรเอาดูสิ่งภายนอกแล้วก็เทียบเข้ามาส่วนภายในของเรา เห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็มาดูตัวทุกข์ของเราเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็เอามาเทียบเคียงกันเพราะภายนอกกับภายในมันเป็นเหมือนกันนั่นแหะท่านเดียกว่าท่านฟังเทศทั้งกลางวันกลางคืนให้ควรหลักธรรมะอยู่เรื่อวยที่ตัณหามันจะก่อบ้านกอ่อเรือนขึ้นมาที่ไหนเมื่อถูกสังหารอยู่เสมอเสมอแม้ก็ค่อยคิดผายไปทีดผายไปหมดไปหม ด, หมดไปเราก็ไม่ได้สังสมมันขึ้นมาอีกด้วยนีแต่จะพยายามดัด ตัดรอนมันลงไปตัดรอนมันลงไปจนกลายจนซากศพไปหมดซากศพของีเด็กันหาไม่มีเหลือภายในใจนั่นท่านหลับแสนสบายเราที่ไม่สบายทุกวันนี้ไม่สบายเพราะเรื่องตัวเองกวนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเห็นว่าคนนั่นไม่ดีว่าคนนี้ไม่ดีเรากคิดเราปรุงหาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นเขาด่าอย่างนี้เราว่าเพราะว่าเราอย่างนี้มันไม่น่าว่าเราเลยมันไม่น่าว่าอย่างนั้นไม่ว่าไม่น่าว่าอย่างนี้ เราไม่น่าจะโกรธให้เขาเราไม่เห็นคิดนาจทิงได้ไม่ดียิ่งเสาะแสวงธรรมนาใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นคนไหนที่โกรธให้เราคนไหนที่ว่าเราเราโกรธให้คนใดมากยิ่งชอบแล้วไปคิดเรื่องคนนั้นมากนานความคิดเช่นนั้นมันมันไม่ถูกแต่เราไม่ได้สนใจเราจึงไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยไปมากผู้ที่เขาดุดเราหรือเขา ว่าเราไม่ถูกใจเป็นคนผิดไปเสีแต่เราไม่ชอบเขาไม่เห็นว่าเราโกรธเขาไม่เห็นว่าเป็นความผิดของตัวเองพอเลยเรื่อยไปอย่างนั้นถ้ามีทำมาแล้วก็ระงับกันได้เห็นเรากลัวผีก็เหมือนกันคนที่กลัวผีเดินไปไหนมีแต่ผีไม่ได้เดินเข้าในป่าช้าก็เป็นผีใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งก็เป็นผีเพราะความคิดเป็นมันมีคิดแต่เรื่องผีทั้งนั้น ก็เลยกลายเป็นผีหลอกทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่สบายนั่นก็คือหลอกตัวเองขยาวยาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ถ้าเรามาดูจุดที่มันกระเพื่อมขึ้นมาว่าผีว่าเปรตหรือว่าผีมันก็หลังครับธรรมะท่านสอนลงมาที่นี่ให้พิจารณาดูตัวของเราเนี่เราจะทราบเหตุทราบผลแล้วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้โดยถูกต้องเป็นลําดับลำหนับไป จนกลายเป็นคนที่วางตนกับสภาวะธรรมทั่วๆวไปได้โดยถูกต้องพร้อมทั้งการวางตนต่อตนเองได้โดยถูกต้องอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นชื่อว่าสุขะโตไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องมีราวทำความยุ่งเหยงิงยุ่งเหิงแก่ตนเองท่านเรียกว่าสุขะโตไปก็ดีมาก็ดีอยู่ก็ดีจะยืนเดินนั่งนอนดีทั้งนั้นไม่มีเรื่อง การแสดงธรรมะก็เห็นว่าสมควรโปรดได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นหลักศาสนาหรือเป็นกระหนึ่งว่าตู้พัรไรปีดกมีอยู่กับใจของเรากายของเราวาจาของเราหากเราได้ทำความสนใจไข่ต่อหลักธรรมอดูเสมอไม่ห่างไกล ด้วยความสนใจจะประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองแนวความสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราทุกๆระยะที่เรามีความสนใจใคร่ต่อทำจึงขอยึดติตธรรมเทศนาเพียงเท่านี้